จเจริญรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุดภุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทา่านวันนี้เป็นวันจำที่15มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมวสวรณวันสมธรรมวันที่เราจะมาฟังวิธีสร้างบ้าน ที่ถาวรให้กับพวกเรากันเพราะการฟังธรรมนี้ก็เป็นการมาปฏิบัติมาสร้างที่อยู่อาศัยที่ถาวรเพราะตอนนี้พวกเรามีที่อยู่อาศัยที่ไม่ถาวรก็คือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยช่วคราว พราว่าร oh, ่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้ต้องตายไปเมื่อร่างกายตายไปเราก็ต้องไปหาบ้านใหม่แต่การหาบ้านใหม่ของเราเราก็จะมักจะพบกับบ้านแบบเก่าคือได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ เพราเราไม่รู้จักวิธีหาบ้านที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนั่นเองถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักหาบ้านที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามาบอกวิธีหาบ้านแบบที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตาย ชาตินี้เป็นชาติที่โชควาสนาของเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราจะได้พบกับวิธีที่จะสร้างบ้านที่ถาวรที่ไม่ต้องกลับมาสร้างบ้านซ้าแล้วซ้าอีกคือมาเกิดซ้าแล้วซ้าอีกเกิดที่ไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกครั้ง จนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วมาฟังเทศฟังธรรมฟังเสร็จแล้วก็ต้องนำออกไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็จะได้บ้านที่ถาวรบ้านที่จะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายอีกต่อไปการมาศึกษาก็เหมือนกับมาเรียนรู้วิธีการสร้างบ้างเหมือนกับเราไปโรงเรียน เราไปเรียนหนังสือไปศึกษาวิธีก่อสร้างบ้านพอเราเรียนจบเราก็มาสร้างบ้านได้มารับเหมาก่อสร้างมีใครอยากจะสร้างบ้านเราก็สามารถสร้างให้เขาได้เพราะเราเรียนจบมาแล้วถ้าเราเรียนไม่จบหรือเราไม่ได้เรียนเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่สร้างบ้านให้ถูกต้องเราก็จะไม่สามารถไป ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้ฉันใดก่อนที่เราจะมาสร้างบ้านที่ถาวร น, นี่ได้เราก็ต้องเรียนเราต้องศึกษาวิธีสร้างบ้านที่ถาวร น, นี่ก่อนการมาฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำนี่แหละเป็นวิธีมาเรียนการสร้างบ้านเหมือนกับการไปโรงเรียนที่เราต้องไปโรงเรียน อาทิตย์ละห้าวันเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างบ้านชั้นใดการมาวัดก็เป็นเหมือนกับการมาโรงเรียนแต่เพียงแต่ว่าเรามาเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันเพราะว่าเรามีธุระภารกิจต่างๆมากมายจึงไม่สามารถมาเรียนได้ทุกวันนอกจากพวกที่ ไม่ต้องทํางานทําการพวกที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้วิธีสร้างบ้านที่ถาวร น, นี้ก็จะมาอยู่วัดกันเป็นประจํามาบวชเป็นพระบ้างมาบวชเป็นชีบ้างมาบวชเป็นสัมมาณีบ้างมาอยู่แบบผ้าขาวว่างเพราะอยากจะสร้างบ้านแบบเดียวกับที่พระเจ้าได้สร้างมานั่นเอง ก็เบื่อกับบ้านแบบเก่าๆที่สร้างมากี่ครั้งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกครั้งนี่คือเหตุผลของคนที่มาบวชกันมาอยู่วัดกันเขาเบื่อกับความเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ามันเป็นความทุกข์เวลาเกิดก็ต้องทุกข์กับการเล่นรนต่อสู้เลี้ยงดูชีวิตของตนเอง แล้วก็ยังต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมาทุกกับความตายทุกกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลไปถ้าคนใดเห็นความทุกข์เหล่านี้แล้วก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็อยากจะไปหาบ้านที่เป็นบ้านที่ถาวร บ้านที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บและวันตายก็มีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนสอนวิธีสร้างบ้านที่ถาวรนี้ได้ mm hmm. เวลาที่เรามาวัดแล้วเรามาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการมาเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านที่ถาวร น, นี้เพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบารนี้ สอนไปเพื่อให้เรามาสร้างบ้านที่ถาวร น, นี้เท่านั้นไม่ได้สอนให้เราร่ำรวยไม่ได้สอนให้เราเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้สอนให้เรามีอะไรต่างๆมีความสุขทางร่างกายเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องหมดไปหาเงินมาเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน เดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีตําหนังใหญ่โตมาโหฬารขนาดไหนเป็นพระราชามาหาจากกักรพรรดิเวลาตายไปคนอื่นก็ออกไปพระองคเจ้าจึงไม่สนใจที่จะสอนให้พวกเรามาหาความร่ำรวยกันมาหาความเป็นใหญ่เป็นโตกันมาหาการยกย่องสรรเสริญเยินยอกัน มาหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกขึ้นกายกันเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกขึ้นมาเวลาที่เราแก่ไม่สามารถไปหาความสุขทางร่างกายได้ใจของเราก็จะมีแต่ความว้าเหวมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงามีแต่ความคิดอยากจะฆ่าตัวตาย เพราะอยู่ยังไม่มีความสุขนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนทรงสอนให้ละอย่าไปหาความสุขต่างๆอย่าไปหาความสุขจากการมีความร่ำรวยอย่าไปหาความสุขจากการเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปหาความสุขจากการได้การรับการยกย่องสรรเสริญยืนยอ อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกป้นกายเพราะมันเป็นของชั่วกราวเวลาหมดไปมันจะกลายเป็นความทุกขขึ้นมาให้มาหาความสุขที่เกิดจากการสร้างบ้านที่ถาวรเพราะบ้านนี้จะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นบ้านที่พระเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างกันขึ้นมาตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในบ้านนี้อยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไม่ได้หายไปจากโลกหายไปจากโลกเกิดแก่เจ็บตายนี้เท่านั้นแต่ยังอยู่ในโลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายโลกนี้เราเรียกว่าพราาะนิพพานเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้สร้างบ้านที่ถาวรนี้ เช่นพระพุทธเจ้าและกับพะอาหลานตรสาวกทั้งหลายพวกเราถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บ้านถาวร อ, อันนี้ไม่ต้องกลับมาได้บ้านชั่วคราวบ้านที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับบ้านที่เรากลังอาศัยอยู่ในตอนนี้ ถ้าเราได้บ้านที่ถาวรแล้วเราก็าจะทิ้งบ้านชั่วคราวนี้ได้พอเราได้ไปถึงพระนิพพานแล้วร่างกายนี้จะแกะ่จะเจ็บจะตายเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีบ้านใหม่ถ้าเรายังไม่มีบ้านใหม่ถ้าบ้านเก่าเป็นอะไรไปเราจะเดือดร้อนเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยกันเราจึงต้องพยายามมาวัดบ่อย มาฟังเทศมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเพราะถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวเราจะลืมพอเราลืมเราก็จะไปหาบ้านที่ไม่ถาวรไปหาเงินทองไปหาตําแหน่งไปหาการสรรเสริญเยินยอ่อไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายเราก็จะไม่ได้มาสร้างบ้านกัน แล้วพอเวลาเราตายไปเราก็ต้องกลับมาสร้างบ้านชั่วคราวใหม่อีกและเขาต่อไปอาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้ามีถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครรู้จากวิธีที่สร้างบ้านที่ถาวรนี้ได้เราก็ต้องรอพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ซึ่งกว่าจะมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นเวลายาวนานมากยาวเป็นกับเป็นกันคาว่ากับนี่ก็คือเป็นเวลาที่เราไม่สามารถที่จะนับได้ล้านปีพันล้านปีนี่เรายังนับได้แต่กับนี่มันนับไม่ได้มันยาวกว่าพันล้านปีเป็นหลายล้านเท่าด้วยกันถึงจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเราไม่ควรปล่อยโอกาสอันวิเศษนี้ผ่านไปเพราะตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนามาสอนเรามาบอกเราวิธีสร้างบ้านที่ถาวรถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติเราจะสามารถสร้างบ้านที่ถาวรนี้ได้ภายในภบนี้ภายในชาตินี้เลยบางคนก็สร้างเสร็จภายในเจ็ดวันบางคนก็สร้างเสร็จภายในเจดเดือน บางคนก็สร้างเสร็จภายในเจ็ดปีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของยากเองเกินวิสัยของพวกเราที่จะทํากันอยู่ที่ว่าอยากจะทําหรือไม่มากกว่าถ้าไม่อยากจะทําแล้วต่อให้ทําไปร้อยปีพันปีก็สร้างไม่เสร็จเพราะไม่มีกจิตกระใจอยากจะสร้างสร้างไปแบบพอถูถไปอย่างคนที่ทาบุญ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแบบแบบไม่ไม่ไม่อยากจะทําทําไปเพื่อไม่ให้เสียเช่นนานปีทีหนก็มาเข้าวัดสักครั้งหนึ่งวันเกิดก็มาสักครั้งหนึ่งวันปีใหม่ก็มาสักครั้งหนึ่งทําบนแบบนี้เรียกว่าทําแบบไม่อยากทํา ถ้าอยากจะทำอย่างน้อยก็ต้องมาทุกอาทิตย์ทุกวันพระถ้าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดก็มามาวันหยุดแทนก็ได้มาวันเสาร์วันอาทิตย์แทนก็ได้เพราะว่าคำว่าวันพระนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำแรงแปดค่ำเป็นวันที่มีการฟังเทศฟังธรรมมีเป็นวันที่มีการปฏิบัติ ตามคำสอนของพ่อปตจา้าถ้าเรามาวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการสร้างบ้านที่ถาวรดังนั้นสมัยนี้ถ้าเราไม่หยุดตรงกับวันพระเราหยุดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้วันเสาร์อาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแทนอย่าอ้างว่าไม่ตรงกับวันที่เราหยุดทางาน อย่างวันนี้ก็เลยไม่มากันถ้าไม่มาก็จะไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวก็จะลืมวิธีสร้างบ้านตายไปก็จะต้องกลับมาสร้างบ้านแบบเดิมสร้างบ้านที่มีความแก่ความเจ็บความตายแบบเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจ สร้างบ้านตามที่พุทธเจ้าสงสอนให้สร้างมาวัดบ่อยๆมาเรื่อยๆมามากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมาแบบไม่กลับไปเลยมาอยู่วัดถ้ามาอยู่วัดได้ตลอดอยู่แบบนักบวชก็จะสามารถสร้างบ้านให้เสร็จได้ภายในเจ็ดวันเจเดือนหรือเจ็ดปีอย่างแน่นอนนี่แหละคือบ้านที่พวกเราควรจะสร้างกัน เพราะว่าเป็นบ้านที่ดีบ้านที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆกลับบ้านก็เอาหนังสือกลับไปอ่านต่ออ่านได้ทุกวันทำบ้านนี้อ่านได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีไม่มีโทษมีแต่คุณมีประโยชน์เพราะเป็นความรู้ ถ้าเราไม่อ่านไม่ศึกษาไม่ฟังเทพเดี๋ยวเราจะลืมแล้วเราก็จะไม่ทำกิจที่เราควรจะทำคือสร้างบ้านที่ถาวร น, นี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบ้านที่ถาวรหยุดสร้างบ้านที่ไม่ถาวรกันเพราะมันเป็นความทุกขนั่นเองได้ละบ้านที่ไม่ถาวร ก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับการพลาดพลาจากของและบุคคลต่างๆที่เรารักไปเดี๋ยวต่อไปไม่นานเราก็ต้องแก่กันเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันและเราต้องตายจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักกันถ้าเราไม่มีบ้านใหม่ เราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราสร้างบ้านใหม่เสร็จเราก็จะไม่เดือดร้อนพอบ้านเก่าพังเราก็ย้ายเข้าบ้านใหม่ได้เลยอย่างนั้นขอให้พวกเรามาสร้างบ้านกันตั้งแต่บัดนี้พยายามสร้างให้เสร็จเสร็จแล้วจะไปทําอะไรก็ไม่เป็นปัญหาถ้าสร้างบ้านนี้เสร็จแล้วจะไม่มาวัดอีกก็ได้จะไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปทำอะไรมากน้อยเพียงไรก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรามีบ้านใหม่รอเราอยู่แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้สร้างบ้านใหม่เวลาบ้านเก่าเป็นอะไรไปเราจะต้องไปละเหร่เลร่อนจะไม่มีที่อยู่อาศัยจะไปอยู่แบบขอทานดังนั้นอย่าประมาทขอให้เรารีบมาสร้างบ้านกัน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่กันนั่นเองวันตายของพวกเรานี้ไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง8ปปี90้ปีหรือเปล่าหรือจะอยู่แค่อายุ20หรือ30หรือสี่ไม่มีใครรู้ดังนั้นอย่าประมาทเราต้องคิดเผื่อไว้ก่อนว่าอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าตายวันนี้พรุ่งนี้ เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบ้านที่ถาวรกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราสร้างบ้านที่ถาวรนี้นี่คือสิ่งที่เราคอยคิดอยู่เรื่อยๆคอยเตือนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าอย่ามาหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไป ได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องจากันไปได้สามีได้ภรรยาได้บทได้ที่ดาได้ทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องจ่ากันไปอย่ามาหลงกับของเหล่านี้ให้มาสร้างของที่จะเป็นของของเราไปตลอดที่จะอยู่กับเราไปตลอดดีกว่า เพราะจะให้ความสุขกับเราไปตลอดนั่นเองถ้าเรามาหลงกับของที่เป็นของชั่วคราวที่ให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวเวลาเขาใจจากเราไปเราก็จะทุกข์ถ้าสามีตายจากเราไปภรรยาตายจากเราไปแฟนลูกตายจากเราไปทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองหายไปหมดเราจะทำอย่างไร เราก็จะคิดค่าตัวตายเท่านั้นเพราะเราไม่มีบ้านที่จะมารองรับแต่ถ้าเรามีบ้านที่จะมารองรับบ้านเก่าของเราแล้วต่อให้เราอดอยากขาดแคลนอย่างไรร่างกายพิกลพิการอย่างไรเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีบ้านใหม่เราไม่ต้องอาศัยบ้านเก่านี่คือหน้าที่ของพวกเรา ที่พวกเรามาวัดกันทุกวันทุกวันพระนี้ก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาสร้างบ้านใหม่นี้เครื่องไม้เครื่องมือหรือวัสดุก่อสร้างของบ้านใหม่นี้ก็มีอยู่สมส่วนด้วยกันส่วนที่1เรียกว่าฐานมาทําบุญทําทานกันส่วนที่สองเรียกว่าศีลมารักษาศีลกันเริ่มต้นจากศีลห้าไปสู่ศีล8ศีลสิบ ศี่สิบเจ็ดต่างนันดั่งแล้วก็มาภาวนากันภาวนาก็คือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะได้เห็นความจริงของทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเวลามันเสื่อมไปหมดไป ความสุขที่ได้จากมันก็จะหมดไปอยา่าไปอยากได้ถ้าไม่อยากได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดนี่แหละคือวิธีสร้างบ้านที่ถาวรสร้างด้วยทานสร้างด้วยศีลสร้างด้วยภาวนาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบ้านที่ถาวรนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนกรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุขวัญนนสุขกะพระโดยทั่วหน้าการเธอ